สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสามสิบเรื่องพระเยซูทรงรักษาเด็กที่มีผีเข้าพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อสิบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดมัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อสิบสี่ถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครั้นพระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้ว มีชายคนหนึ่งมาหาพระองคุกเขา่าทูลว่าโรองค์เจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาแก่บุตรของข้าพรองค์ด้วยเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกเวทนามากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆข้าพรองค์ได้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่พวกสาวกนั้นรักษาเขาให้หายไม่ได้พระเยซูตรัสตอบว่าโอคนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่ว เราจะต้องอยู่กับท่านทั้งหลายนานเท่าใดเราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหนจงพาเด็กนั้นมาหาเราที่นี่เถิดพระเยซูจึงตัดสำทับผีนั้นมันก็ออกจากเขาตั้งแต่นั้นไปเด็กก็หายเป็นปกติภายหลังเหล่าสาวกของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นส่วนตัวทูลถามว่าเหตุไห น, น, นพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้ พระเยซูตรัสตอบาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่ามเมล็ดพืชมเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โ น, โน้นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรื่องพระเยซูทรงรักษาเด็กที่มีผีเข้าเราพบว่า ตามท้องเรื่องนั้นบริบทได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งมาคุกเข่าเพื่อขอเมตตาบุตรชายของเขาเพราะเหตุที่ว่าเป็นโรคลมบ้าหมูลมบ้าหมูนะครับก็มีสองสาเหตุครับเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากสมองนะครับไม่ปกติและอีกสาเหตุในพระว จ, จนะพระเจ้าตอนนี้ก็คือมีผีเข้าครับ เพยายีางนการชักหรือโรคลมบ้าหมูหรือชักแบบลมบ้าหมูก็จะมีสาเหตุอยู่สองสาเหตุนี้พี่น้องครับเพราะเจ้าพระเจ้าได้กล่าวถึงว่าพ่อของเด็กนั้นอธิบายถึงการที่ลูกของตนมักตกน้ําตกไปนั่นหมายความว่ามันพยายามต้องการให้เด็กคนนี้ตายนะครับมานซาตาเนี่ยพยายามต้องการให้เด็กคนนี้ตายเด็กคนนี้จะล้มชักดิ้นชักงอ มีอาการน้ำลายฟูมปากขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและตัวแข็งซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมมารโกปัญหาสำคัญของผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อของเด็กคนนี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมสาวกของพระเยซูไม่สามารถรักษาลูกชายของตนตามมัทธิวบทที่สิบข้อที่หนึ่งได้กล่าวว่าพระเยซูนั้นได้ทรงมอบอำนาจให้เหล่าสาวกนั้นมีฤทธิ์อนาจเวลาออกไปประกาศ ในการรักษาโรคในการขับผีเรามาดูกันนะครับว่าก่อนที่พระเยซูจะทรงรักษาเด็กชายผู้นั้นมราระโกเล่าว่าพระเยซูตรัสถามชายผู้นั้นเกี่ยวกับสภาพของเด็กพระองค์ยังตัดในข้อที่ยี่สิบสามว่าชายที่ขอให้พระเยซูรักษาลูกชายของตนนั้นไม่ค่อยมีความเชื่อในพระองค์อันนี้ชัดเจนนะครับไม่ค่อยมีความเชื่อในพระองค์ชายผู้นั้นทูลว่า ถ้าท่านสามารถช่วยได้ขอท่านโปรดกรุณาเถิดเห็นไหมครับจากคาพูดนะครับก็สื่อสารความในใจว่าเขามีท่าทีที่ไม่ค่อยเชื่อในพระเยซูเพราะอะไรครับอาจจะเป็นเหตุที่เกิดจากสาวกนั้นขับผีไม่ออกนะครับแต่ด้วยความจนปัญญาไม่รู้จะไปแสวงหาการรักษาที่ไหนเขาก็เลยต้องพามาหาพระเยซูซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพวกสาวกเหล่านั้น คอยสังเกต น, นะครับพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่งพี่น้องครับพระเยซูกลับย้อนคําพูดที่ชายผู้นั้นพูดกับโปรงว่าถ้าท่านสามารถช่วยได้พระเยซูบอกว่าถ้าช่วยได้หรือถ้าช่วยได้นะหรือพระเยซูกําลังพูดในเชิงที่ให้เขาได้มีโอกาสคิดว่าก่อนที่จะพูดต้องมีความเชื่อก่อน ก่อนที่จะรับรับการรักษาให้หายต้องมีความเชื่อก่อนพี่น้องครับที่นี่นั้นความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กครับแต่เด็กหายความเชื่อเกิดขึ้นกับคุณพ่อของเขานะครับแต่ส่งผลไปที่ลูกของเขาตรงนี้นี่เองนะครับทำให้ชายผู้นี้ได้ถึงบางอ้อเขาได้เข้าใจและมีความเชื่อเพิ่มขึ้น เราเปลี่ยนท่าทีของความเชื่อที่ไม่ค่อยเชื่อนักเริ่มมีความเชื่อและผู้ชายคนนี้เองทำให้เราได้เห็นถึงธรรมชาติของความเชื่อนะครับเขารู้ครับว่าเขาไม่ค่อยมีความเชื่อหรือยังขาดความเชื่อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอขอความเชื่อจากพระเยซูนะครับเขาทูลว่าข้าพเจ้าเชื่อมีความหมายว่าข้าพเจ้าเริ่มเชื่อแล้ว แต่ที่พระเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอทรงโปรดให้เชื่อ Third. เถิดเพื่อนท่าครับเราจะเห็นลักษณะของความเชื่อยอย่างน้อยสามปะการที่นี่นะครับว่าความเชื่อหรือที่เราเรียกว่าเฟสนะครับหรือความเชื่อศรัทธานั้นมีขนาดครับขนาดนี้หมายถึงคือมีน้อยมีกลางมีมากมีตามลําดับขั้นตอนนะครับ ประการทีสสสสสสส่สองก็คือว่าความเชื่อนั้นสามารถเพิสส่มพูนสะ <talking. S 1> สมได้นะครับความเชื่อนั้นสามารถสะสมเพิ่มพูนได้เพิ่มเติมได้เหมือนอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ได้ขอให้พระเยซูประทานให้สะสมเพิ่มเพิ่มได้นะครับแล้วก็ประการที่สามครับความเชื่อนั้นเราทูลขอได้ครับเหมือนอย่างที่ชายคนนี้ได้ทูลขอต่อ พระเยซูผู้ประถานความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นของประถานพี่น้องครับจากบทเรียนในเช้าวันนี้ลักษณะของความเชื่อสามประการก็คือความเชื่อนั้นมีขนาดมีความเชื่อมากความเชื่อน้อยความเชื่อนั้นสะสมได้เพิ่มเติมได้และความเชื่อนั้นขอได้จึงเป็นของประถานพี่น้องครับหลังจากที่เด็กคนนั้น หายอาการถีเข้าพระเยซูกับเหล่าสาวกก็เสด็จเข้าไปในเรือนและเหล่าสาวกก็เริ่มทูลถามพระเยซูเป็นการส่วนตัวครับพวกเขาอยากรู้ว่าทําไมพวกเขาจึงไม่สามารถรักษาเด็กชายผู้นั้นได้พระเยซูให้คําตอบสองอย่างครับมัทธิวบันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเจดข้อยี่สบก็คือเป็นเพราะว่าพวกสาวกเองก็มีความเชื่อน้อยนะครับก็มีความเชื่อน้อยเหมือนกัน ความเชื่อน้อยตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษใช้คาว่า faith นะครับไม่ใช่ควาว่า belief นะครับ faith ตัวนี้แปลว่าไว้วางใจไว้วางใจไว้วางใจในใครครับไว้วางใจในสิทธิอานาจของพระเยซูน้อยเกินไปเขามีความเชื่อมั่นนะครับเขาเพิ่งพา พ, าพระเจ้าพระเยซูน้อยจนเกินไปอันนี้คือแสดงว่าเขามีความเชื่อน้อยเพราะฉะนั้นเขาไปขับผีไล่ผี ก็ไม่ออกครับและเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือในมา ร, ระโกบทที่เก้าข้อยี่สิบเก้าพยซสูตรัสว่าการรักษาโรคชนิดนี้ต้องอาศัยการอาธิษฐานต้องอาศัยการอาธิษฐานครับทั้งสองอย่างนี้ก็คือความเชื่อในวัดธิวและการอาธิษฐานในมาระโกล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญหากสาวจากจะปฏิบัติพระลัทธิศของพระเยซูสืบต่อไป หลังจากที่พระเยซูขึ้นสวรรค์แล้วนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเฟสก็คือมีความเชื่อและจะต้องมีการอธิษฐานเพื่อนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการอธิษฐา น, น, นสําคัญอย่างไงครับจากบริบทเรื่องราวนี้เองทําให้เรารู้ว่าการอธิษฐานนั้นอธิษฐานขอความเชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อยิ่งอธิษฐานนะครับยิ่งขอความเชื่อความเชื่อเราจะเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการอธิษฐานนั้นเป็นหนทางที่นำไปสู่ความเชื่อที่เพิ่มขึ้นการอธิษฐานนั้นเป็นช่องทางเพิ่มความเชื่อของเรานะครับนี่เป็นประการแรกประการที่สองครับการอธิษฐานนั้นเป็นการ e x e r c ์ s e ความเชื่อนะครับเป็นการเช็คความเชื่อของตัวเรเองนะครับว่าถ้าเรายิ่งอธิษฐานมากแสดงว่าเรายิ่งเชื่อมาก ถ้าเรายิ่งอธิษฐานถี่มากขึ้นจำนวนครั้งในการอธิษฐานถี่มากขึ้นแสดงว่าเรากำลังพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นโดยอาศัยความเชื่อพี่น้องครับและการอธิษฐานนั้นประการสุดท้ายก็คือเป็นการแสดงออกซึ่งความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์เราจะไม่อธิษฐานถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคาอธิษฐานเราจะไม่อธิษฐานถ้าเรารู้สึกว่าพระเจ้าจะไม่รักษา พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการที่พระเยซูได้พูดถึงแม้กระทั่งเหล่าสาวกและคนในสมัยนั้นว่าเขาเป็นคนที่มีทิฏฐิชั่วครับทิฏฐิชั่วก็คือเป็นชีวิตที่ถูกบิดเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวจากใครครับบิดเบี้ยวจากมารซาตานจากโลกนี้ชีวิตที่หันเหออกจากทางที่ถูกต้องนะครับ ชีวิตที่ดื้อรันชีวิตที่หัวแข็งชีวิตที่ดื้อดึงและชีวิตที่เป็นกระบทนี่แหละครับก็คือคำว่าทิฐิและคำว่าความเชื่อน้อยพี่น้องครับทิฏฐิชั่วก็คือการบิดเบี้ยวไปนะครับของความคิดชีวิตและจิตใจความเชื่อน้อยหมายถึงการดือ้อรันหัวแข็งและกระบทพี่น้องครับขอพระเจ้าหยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเรา เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นที่พี่พอพระไทยของพระเจ้าในขณะเดีวยวกันครับเราสามารถเพิ่มพูนความเชื่อของเราได้และด้วยการอธิษฐานนี้เองเราขยายความเชื่อขยายอาณาเขตขอบเขตของความเชื่อและเป็นการตรวจสอบความเชื่อแสดงออกซึ่งความเชื่อของพวกเราอาเมน